เรื่องที่15พูดถึงจุดหมายก็เลยจะไปให้ถึงปรมัติพูดคุยกับพระนวิกะในพรรษา26ตุลาคมพุทธศักราช2553นรแต่นี้ก็มีการนิยมอีกอย่างก็คือว่าแยก อานิพพานที่เป็นส่วนสูงสุดของสัมปรายกัตถาล้ออกไปต่างหาให้เด่นชัดก็เลยแยกเป็นสามต่อจากสัมปรายกัตถาก็เลยมีปรมธธาถะประมธธาถะก็แปลว่าประโยชน์สูงสุดก็หมายถึงนิพพาน นี่คำว่าปรมัตถ์เนี่ยตอนหลังก็มาใช้ในความหมายต่างๆกันไปในพุทธพจน์เองในพระไตรปิฎกใช้น้อยน้อยอย่างยิ่งคำว่าปรมัตถะไม่ก็ใช้แต่ตอนหลังๆเนี่ยมาใช้เยอะโดยเฉพาะในทางอภิธรรมแล้วคำว่าปรมัตถะก็เลยมีความหมายต่างไปอีกคือคําว่าอัตถะเนี่ยมันมีความหมายว่าประโยชน์จุดหมายก็ได้จุดหมายนี่ก็คือความมุ่งหมาย ทีนี้ถ้าตัดมุ่งออกไปก็เหลือแค่ความหมายใช่ไหมอันนี้อัถฐานี้แปลว่าความมุ่งหมายก็ได้ตัดมุ่งออกไปเหลือแค่ความหมายก็ได้นั่นอัฏฐากปลว่าความหมายทีนี้อัฏฐาที่แปลว่าความหมายเนี่ยมาใช้มากในระยะหลังหรือในความหมายในพุทธการในความหมายทั่วๆไปของชาวบ้านก็แปลว่าความหมายเหมือนกัน เช่นอัตถะของถ้อยคํานี้ท่านพูดมานี่มีความหมายว่าอย่างไรถ้อยคําของท่านมีอัตถะว่าอย่างไรคําพูดของท่านก็มีความหมายว่าอย่างไรเออความหมายที่จริงมันก็คือความมุ่งหมายในแ ง, ง่หนึ่งหมายความที่ท่านพูดเนี่ยท่านมีความมุ่งหมายให้เข้าใจว่าอย่างไรใช่ไหมเพราะในความหมายก็คือสิ่งที่มุ่งหมายของเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็เลยไปไปมามาอัตถะเนี่ยก็ความ ความหมายของมันก็กว้างออกไปเป็นได้ทั้งจุดหมายความมุ่งหมายความหมายนี่มาในสมัยหลังเนี่ยมันมีก็เลยมาแยกอีกมาเป็นเรื่องของปรามัตธรรมเนี่ยหมายถึงตอนนี้ไม่ได้ตรงกับเดิมแหละความหมายในทางอริธรรมปรามัตแล้วเติมธรรมะเข้าไปอีกเดิมในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีอธรรมปรมัตธรร ม, มไม่มี มีแต่ปรมามตธรรมเฉยธรรมะไม่มาต่อมาต่อที่หลังในยุคคทำพิจุดหลังๆจริงจะมาต่อคำว่าธรรมะแล้วก็มาเรียกเป็นที่ปรม า, ามตธรรมสี่ว่างั้นใช่ไหม <laughs> ปรมามตธรรมสี่มีจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็อภิธรรมก็มาจัดที่ท่านจัดเป็นอย่างนี้ก็คือท่านไปเอาจากคัมภีร์ธรรมสังฆนีพระไตรปิฎกไปอภิธรรมเล่มแรกพระเจ้าตรัส ่ทีนี้ในธรรมสังคณีนี่ก็อธิบายเขาเรียกกามาติกาแม่บทแม่บทแรกของอภิธรรมก็กุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากระตาธรรมะเนี่ยคืออภิธรรมนี่ในพระใจบิดโดด ก, ก็จะเริ่มได้มาติกามาติกาก็คือหลักแม่บทหมายคําว่าสิ่งทั้งหลายในโลกในปารามีไม่ใช่เพราในโลกอะปารามีเนี่ย เรียกสัมภสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนมาจัดเป็นชุดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วเนี่ยก็เป็นชุดต่างๆเนี่ยเช่นว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ก็ชุดหนึ่งแหละสิ่งทั้งหลายประดามีเรียกว่าธรรมเออมาจัดดูสิเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ครบแล้วเออหรือเป็นโลกียธรรมโลกุตตรธรรมเออก็ครบแล้ว หรือจัดเป็นสังคตธรรมะสังคตธรรมก็ครบแหละเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรูปธรรมอรูปธรรมอะไรพวกนี้เนียแล้วก็ถ้าจัดเป็นสามก็เช่นเป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมเป็นอภิญากตธรรมที่จัดเป็นชุดๆอย่างเงี้ยท่านเรียกก็เป็นแม่บทเรียกก็มาติกาไอนี้คำพีธรรมสังคณนีนี่ก็เอาและอภิธรรมตั้งแม่บทคือมาแม่บทแรกมาติกาแรก มาติกาที่หนึ่งว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะพยาคตาธรรมะคำพีธรรมสังคณีก็เอาไปขยายว่ากุศลธรรมะกุศลธรรม ะ, รมะพยาคตาธรรมะเนสชุดเดียวเนี่ยขยายเอาไปพระพุทธเจ้าเขาเอามาใส่ในคำภีธรรมสังขณีได้เล่มหนึ่งเลยทั้งเล่มเนะี่ยอธิบายขอไปมาติกาเดียวนี่เลย ว่าอะไรเชื่ อ, อกุศลอกุศลอัพยากตะธรรมเท่านี้เป็นคำภีธรรมสังคณีเล่มหนึ่งเลย น, ะนั่นแหละแค่มาติกาเดียวทีนี้มาติกาที่หนึ่งที่กุศลธรรมากุศลธรรมาภิญักตาธรรมานะัดไปแล้วนักพิธรรมก็มาดูโอนี่ก็มีจิตเจรสิกรูปทิพยผ่านในะในเนี้ยในธรรมสังคณีทั้งหมดนะ ก็เอามาจัดแบบพิธ ร, รมก็เลยเกิดสับเป็นจิตเจตสิก ร, รูปอนิพานแล้วก็ต่อมาก็มีสับเรียกปรมัตรธรรมทีนี้ทำไมว่าอัฏฐานในที่นี้แปลความหมายไปก็คือแกว่าธรรมในความหมายหรือสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหรือยอย่างสูงสุดก็หมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั่วไปนี่มันอาจจะไม่มีจริง สิ่งที่มีจริงในความหมายสูงสุดก็มีแค่นี้ในความหมายที่แท้สูงสุดในที่นี้ก็คือความหมายแท้ความหมายที่แท้จริงเนี่ยที่คนจะรู้จักเข้าใจนึกถึงพูดถึงได้ก็มีแค่นี้อย่างสูงสุดเลยคนพูดถึงนึกถึงได้แค่นี้ก็แยกเป็นอย่างเนี้ยได้มีทั้งหมดก็จิตเจตสิกลูปนิพพานก็เป็นการเน้นในแง่ด้านนามธรรมา รูปธรรมก็เป็นอันหนึ่งอยู่ในนั้นก็คลุมไปหมดนี่เรียกว่ามาติกาที่หนึ่งก็เป็นต้นทางที่มาเป็นการเรียนวิธรรมที่สืบๆกันมานี่รูปยุบต่อๆมาก็มารจนาคัมพีอะไรต่างๆขึ้นมาเนื้อเกิดสับอะไรต่งตางขึ้นมาเช่นกระทั่งมีคำว่าปรมาตธรรมสี่ก็หมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ ปรมัดในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหมายความว่าในความหมายสูงสุดสิ่งอื่นอื่นอาจจะไม่มีในความหมายระดับสูง ส, สุดอย่างนี้ทีนี้ถ้าความหมายอย่างที่เราบอกปรมัดถ้ประโยชน์สูงสุดคือนิพพานการปรมัตดในที่นี้ที่บอกจิตเจตสิกรูปนิพพานเน่ยเหมือนกันไหมมันไม่ตรงกันใช่ไหมเออมันมันไม่ได้กินความ <S <S 1> <S 1> เท่ากันความหมายมไม่ไม่ตรงกันหรอกปรมัตถานิพานมันอย่างเดียวเลยอสังกตธรรมแล้วใช่ไหมไอันนี้ในปรมัตถธรรมสี่นี่มันกินไปทั้งหมดเลยทุกอย่างสังกตธรรมสังกตธรรมหมดฉะนั้นก็เลยต้องแยกว่าปรมัตถะในความหมายในเรื่องเดิมของท่านเนี่ยมุ่งที่พระนิพพานอย่าง แล้ปตป ร, ตปรมัตถประโยชน์ก็มุ่งทินนี้ประโยชน์สูงสุดก็คือมุ่งนิพพานก็คือการที่ได้มีปัญญาจนกระทั่งใช้คำว่าปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระเป็นวิมุตต์หลุดพ้นก็บรรลุนิพพานอันนี้คือประโยชน์สูงสุดเป็นปรมามัตถ์เป็นผู้รู้เข้าใจเท่าทานสิ่งทั้งหลาย จิตใจเป็นอิสระลงตัวกับโลกและชีวิตนี้ก็ถึงภาวะที่จิตโดยทั่วไปอยู่โดยอุเบกขาก็คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี่จิตใจปกติจะอยู่ด้วยอุเบกขาคือพัฒนาคนนี้สูงสุดและจิตจะมาลงที่อุเบกขาเพราะว่าเรามีปัญญานี่ปัญญามาทำอะไรก็มาพัฒนาจิตนั่นแหละนย ใจิตใจพัฒนาไปพัฒนาไปมีธรรมะมีคุณธรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะดีขึ้นดีขึ้นไปพอจิตใจบุตรหลุดพ้นแล้วทีนี้ลงอุเบกขาได้แลนะ้วนั้นเพราะอารหันท่านจะอยู่ด้วยจิตอุเบกขาเป็นหลักอุเบกขาดีกว่าความสุขดีกว่าสมาธิคนนึกว่าโอ้สุขนี่ดีแลนะ้วใช่ไหมสุขดี แล้วสมาธิก็ดีแต่สู้ไปขาไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแปลให้ว่าลงตัวนี่พอจะเข้าใจไหมจิตใจเราเอาชีวิตเราเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวกับอะไรหรอกมันถึงได้มีปัญหาอยู่เนี่ยนถ้ามันลงตัวมันได้เมื่อะไรจบใช่ไหมจะเรียวกว่าสมดุลเรียวกว่าอะไรก็ได้แต่มันลงตัวหมดอ คือพระอาหานในท่านรู้เข้าใจโลกชีวิตรู้สรรพสังขารจิตใจท่านก็วางลงตัวกับสิ่งเหล่านั้นหมดคือไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นเลยเนีท่านก็อุปมาบอกว่าอ้าวจะมองสลหรับมนุษย์ปุตรชนนี้อุเบกขาเป็นยังไงเคยไม่ทราบเคยอ่านแล้วอย่างก็เคยเล่าให้ฟังไว้ท่านเปรียบเทียบไอันหนึ่ง บอกเหมือนสารถีเนี่ย เ, เคยได้ยินไหมฮะ เ, เคยแลวใช่ไหมที่ว่าสารถีเนี่ยสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ก็มีแต่รถม้าก็จะเป็นรถยนต์หรือรถม้าอะไรก็แล้วแต่นก็ขับขี่ไปพอคนขับใหม่ๆนี่ยังไม่ชำนาญใจคอจะไม่สบายใช่ไหม จะระแวงระวังจะรู้สึกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆจิตมันไม่นิ่งมันไม่ลงตัวเนี่ยจะขับรถออกมานี่เอาละนะพอขับมาตอนแรกกระใจก็ยุ่งพอดูแล้วพอมาเข้าทางแล้วก็ยังระวังตัวเกร็งบงทีใช่ไหมเน่ไม่สบายใจก็ขับไปรอดไปทีหนึ่ง ทีนี้พอขับไปเก่งเก่งเก่งเก่งคราวนี้แล้วก็ออกรถออกรถอะไรแต่อะไรดูมันรวดเร็วเหลือเกินตัวเองบางทีเหมือนกับไม่ต้องรู้เลยใช่ไหมเนี่ยทําไปขับรถเข้าที่เข้าทางนั่งขับรถถือพวงมาลัยนิ่งสบายนะความเร็วก็ปรับได้เหมือนกับว่ามันเป็นอัตโนมัติเน่ย จะเป็นความเร็วหรือจะบังคับให้อยู่ในทางอะไรก็แล้วแต่มันได้หมดก็ไปได้ดีหรือเกินเออทีนี้เอาไปว่าพอขับได้ดีชํานาญพอรถเข้าที่เข้าทางดีความเร็วพอเหมดแล้วก็นั่งสบายเลยจิตนิ่งอย่างเงี้ยจิตที่อย่างเงี้ยท่านเรียกว่าจิตแบบอุเบกขาคือหมายความว่า มันมีปัญญาพร้อมอยู่มีอะไรติดขัดมีอะไรไม่ปกติก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้ทุรนทุรายไม่ต้องมาคิดมาอะไรเลยสบายอย่างเง้จิตนิ่งสบายอย่างคนที่เป็นสารถีที่ชํานาญขับรถอย่างนี้ก็เป็นจิตประเภทอุเบกขาพอจะเห็นไหมว่าดีดีไหมฮะนี่ คนที่อยู่ในโลกนี้ก็ในแง่หนึ่งเหมือนสารถีพาชีวิตของตัวไปในโลกก็ยังเป็นสารถีที่ไม่ชํานาญใครชนานาญขับรถชีวิตนี้บังเนี่เออพอจะลงตัวยังขี่รถบนถนนไหมไม่ใช่ไหมออยังระแวงอยู่ใช่ไหมยังเออเป็นสารถีขับรถชีวิตนี่ไม่ง่ายเลย นี่พระละหันท่านนี่แหละลงตัวแล้วชีวิตโลกนี้จิตมันลงตัวหมดแหละดีไหมดีแล้วทีนี้สุขเสร็จเป็นเพียงสิ่งประกอบอันนี้ไม่มีแล้วอันอื่นมันก็ไม่ดีเท่าใช่ไหมเออท่านไม่มีอเบกขาจิตมันไม่ถึงขั้นนี้แล้วความสุขความสุดท่านก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่จริงไม่จริงมันก็มีละคายเครื่องมีอะไรรบกวนมีอะไรอยู่นั่นแหละ พะนั้นพอจิตมันลงเบกขาแล้วทีนี้ละก็ความสุขความอะไรต่อะไรมันก็บริบูรณ์ใช่ไหมดีไหมครับอุเบกขาดีเพราะนั้นนี่แหละจิตลงตัวทําได้ยากท่านจิ๋งบอกพระอรหันเนี่ยจิตลงตัวอยู่ด้วยอเบกขาแล้วความสุขต่างๆก็สมบูรณ์หมดเนียพระอรหันเป็นพิมุนสุขประจําตัวไม่ต้องหา ก็แปลว่าปรมาติดียังไงเนี่ยดีเพราะอย่างเงี้ยนีเพราะสมบูรณ์หมดจิตของเราเราก็ฝึกกันไปที่จริงก็คือถ้าลงอุเบกขาได้จริงก็จบแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือคนทั่วไปเนี่ยบางทีมีอุเบกขาเหมือนกันแต่มัไม่ใช่อุเบกขาแท้เป็นอุเบกขาเทียมใจมันไม่รู้เรื่องรูลามันก็เลยเฉยเนีเฉยอย่างนั้นท่านเรียกก็เฉยโง่กัน ภาษาพระทะเลมันก็อัญญานุเบกขาถ้าอุเบกขานั้นไม่มาจากปัญญาเป็นอุเบกขาที่ใช้ไม่ได้นะเรียกว่าเฉยโง่นั่นเป็นอันตรายมากก็ต้องเป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญานะจิตก็จะลงตัวอย่างที่ว่าก็ต้องพัฒนาอะไรต่งตางๆไปพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจเรียกวสมาธิแล้วก็พัฒนาปัญญา ก็จะจิตหลุดพ้นนะแล้วก็จิตนั่นก็หลุดพ้นเป็นอิสระก็อยู่โดยทั่วไปด้วยจิตที่ลงตัวเป็นอุบเบกขานถ้าสมาธิก็คนทั่วไปนี่ก็เป็นประโยชน์มากมก็เคยแปลว่าเอา้าให้แปลสมาธิว่าจิตอยู่ตัวถ้าลงตัวก็เท่าบเบกขาไป เออก็จบแล้ว <surely> ส <understanding ghosts> ิน well, ก I mean, ็ม like ีถึงขั้นที่สามเลใช่ไหมแปลว่าจัดแบ่งแนวตั้งหรือแนวดิ่งก็เป็นสามหนึ่งที่จะทำให้กัตถะจุดหมายขั้นตาเห็นหรือขั้นปัจจุบันทันตากันแล้วแต่เป็นรูปธรรมแล้วก็มาสำปรายกัตถะ หยหมายขั้นเลยตาเห็นหรือเบื้องหน้าเลยตาเห็นก็มาเรื่องของการการพัฒนาจิตใจและปัญญาและสาปรามัตถะก็จัดเอาส่วนยอดของสัมปรายิกัตถะคือนิพพานนั้นไปแยกไว้เป็นสูงสุดคือขั้นจิตใจเป็นอิสระนั่นเองคือยังอยู่จิตใจแต่เป็นจิตใจที่เป็นอิสระแล้วถ้าสัมปรายิกัตถะก็เอาแค่พัฒนาจิตใจดีขึ้น มีใจิตใจดีงามก็ครบสามก็เป็นสองด้านนี้ ก, ก็มาบรรจบ ก, กันก็แนวราบก็มีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แนวตั้งก็ประโยชน์ตาเห็นประโยชน์เลยตาและประโยชน์สูงสุดแล้วก็แนวราบหรือแนวนอนก็ สำหรับตนเองก็ตามผู้อื่นก็ตามก็ให้เจริญทั้งสามขั้นที่ว่านี้ถ้าเราทําเพื่อตอนเราก็อัตตถะก็ทิฏฐธรรมิกัฏฐะสัมภรราริยิกัฏฐะปรามัตถะไปช่วยผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าไปช่วยพระเจ้าพระเศนในที่กศลก็ให้ท่านเจริญในนี้เหมือนกันเจริญในทิฏฐธรรมิกัฏฐะสัมภารายิกัฏฐะและประมัตถะถ้าจะเอาอย่างย่ออย่างสั้นก็เอาแค่อัตตถะป ร, ะรัตถะ แล้วก็ทิฏฐธรมิกัตถะสัมปราชิกัตถะแค่นี้ก็พอในพุทธกาลพุทธเจ้าตรัสโดยนิยมก็ใช้แค่ชุดละสองแต่ว่าในคัมภีร์ของภาษาลิบุตรเรียว่ามหานิเทศเนี่ยท่านมาแสดงเป็นสามพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ตัดไว้ก่อนนะภาษาลิบุตรก็เอามาจัดภาษาริบุตรก็มาแยกเน้นให้ชัด พอแยกเป็นสามอย่างนี้สามอย่างนี้อ้าวมึงมีสงสัยไม่พอจะใช้ได้ไหมแนวนี้ได้นะแต่ว่ามันคลุมไปหน่อยคือพูดแบบกว้างไปเลยแต่ให้เห็นว่ามันก็อยู่ในนี้แหละคารืหัดก็ไม่ไปไหนหรอกนะก็ไปอ่านว่าสําหรับคารืหัดก็นเน้นทีิฏฐตาไม่กัตถะท่านต้องทําให้ได้ก่อนนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยทิฏฐตาไม่กัตถะ ก็จะเป็นฐานที่ดีที่เราจะก้าวไปในสัมปราชิกัตะแล้วไม่เฉพาะก้าวตัวเองเท่านั้นการที่เรามีสัมปราชิตะก็จะมีความหมายถึงการที่จะทำเพื่อผู้อื่นใช่ไหมมันอยู่ในนั้นเลยเนี่พโอสัทาศีสุตจาระพัญญาพอออกจากข่ามันก็ไปแล้วเนี่ยเน้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมันก็เลยเนื่องกันอยู่เพราะพ อ, พอท่านได้ที่ทํามิกักทะมาสัมปราชิตะ ท่านก็ต้องออกประโยชน์ผู้อื่นด้วยเนมันก็เลยมาบรรจบกันทั้งชุดทั้งสองชุดเนี่ยทีนี้ถ้าสงสัยก็ลงรายละเอียดหรือปีกย่อยท่านยังสงสัยอะไรละ่ะท่านวิตภพง์ไม่เละไปขยายเอาเอง